อขอจเจริญพรทท่านนะาคือในฐานะที่ทุกท่านเป็นแพทย์หรือพยาบาลนะก็คงจะมีหน้าที่สำคัญในการที่จะช่วยรักษาชีวิตของผู้คนไม่ว่าเขาจะเป็นเชื้อชาติภาษาหรือว่าอยู่ในสถานะใดก็ตามให้เขามีชีวิต ไ, ได้อยู่รอด แต่ว่าความจริงก็คือว่าคนเรานั้นเนี่ยมีความจำกัดความสามารถเราจำกัดเทคโนโลโยีเรามีจำกัดและเราไม่สามารถที่จะควบคุมทุกอย่างให้ไปไปตามความต้องการของเราได้จะว่าแต่ช่วยเหลือคนอื่นเลยแม้กระทั่งจิตใจของเราเองบางทีเราก็สั่งไม่ได้หรือไม่ใช่บางทีบ่อยครั้งเราก็สั่งไม่ได้ เราจะสั่งให้ใจของเราเนี่ยหยุดฟุ้งซ่านหยุดเครียดหยุดโกรธเราก็สั่งไม่ได้เราอาจจะทํานายอะไรต่ออะไรได้มากมายแต่เราบอกไม่ได้ด้วยซ้ําว่าอีกหนึ่งนาทีข้างหน้านีเราจะคิดอะไรเราตั้งใจว่าอีกหนึหนนาทีข้างหน้านเราจะไม่คิดแต่เดี๋ยวมันก็คิดโน่คิดนี่ถ้าไม่เชื่อก็ลองลองหลับตาทํำสมาธิดูนะ คนนี้กับคนไข้เนี่ยนะเราก็คงต้องเผชิญกับความจริงว่าไม่ว่าเราจะมีความสามารถแค่ไหนเราจะมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเพียงใดแต่เราก็ไม่สามารถที่จะช่วยคนไข้ให้เขามีชีวิตรอดไปได้ทุกกรณีบางกรณีก็สุดวิสัยที่จะเยียวยารักษาได้ ซึ่งหมายเขาก็ค่อยต้องประสบกับความตายแต่ก่อนที่เขาจะตายเนี่ยเขาก็ต้องอยู่ในอาการระยะที่เราเรียกว่าผู้ปว่วยระยะสุดท้ายในภาะวะเช่นนั้นเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างแน่นอนในแง่ของแพทย์เกบานเราถูกฝึกมาให้มี ความรู้ความเจนจัดในเรื่องของอกระบวนการทางกายภาพเรารู้เรารู้อวัยวะทุกส่วนเราอาจจะจำกระดูกได้ทุกข้อว่าชื่ออะไรอยู่ตรงไห น, นแต่ว่าเพียงความสามารถตรงนี้ยังไม่พอสิ่งที่คนไข้ต้องการจากเราเนี่ยไม่ใช่มีแค่ความสามารถทางกายภาพหรือเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่สุดเท่านั้น แต่ว่าเขาจะต้องการอย่างอื่นอีกหรือมีอย่างอื่นอีกที่เราสามารถจะช่วยเขาได้สิ่งนั้นนั่นก็คือเรื่องของจิตใจนะร่างกายกับจิตใจเนี่ยมันมันมันแยกจากกันไม่ได้ใครก็ตามเนี่ยเวลาเจ็บป่วยเนี่ยเขาไม่ได้ป่วยกายอย่างดีวเขาป่วยใจด้วย ความป่วยใจในที่นี้หมายถึงความเครียดความวิตกกังวลความกลัวนะสารพัดนะซึ่งบางทีไอ้ความป่วยใจหรืออาการจิตใจนี่แหละมันอาจจะทําให้เขาทุกข์มากกว่าการป่วยกายด้ยซ้ําหรืออาจจะไปทําให้การป่วยกายเขาเนี่ยมารุล่วงขึ้นอาจารย์ประเวศวสีเคยเล่าให้ฟัง นะจะเพราะว่าท่านเป็นแพทย์ด้านโลหิตผู้เชี่ยวชาญด้า น, านเลือดที่สิริราชนะพี่ว่าทุกท่านคงเคยได้ยินชื่อท่านท่านเคยเล่าเหตุการณ์หนึ่งนะก็มีคนไข้นอนเปละมาไม่มีแรงตัวซีนะ่เดินไม่ได้ไม่มีแรงเลยนะต้องนอนเปลม า, มาให้ท่านตรวจตอนนั้นก็มีนักศึกษาแพทย์อยู่กับท่านด้วยท่านก็สิ่งที่ท่านทำก็คือว่าได้คุยดูอาการคนไข้แล้วก็คุยกับคนไข้ สักพักก็หันไปพูดกับทศึกษาแพทย์ว่าไม่มีอะไรนะที่ตัวเส้นก็เพราะว่าพะยาบากขอทำไม่ปรกจาญหายง่ายนะเดี๋ยวให้กินเหล็กก็จะดีกว่าดีคืนพูดจบหันมาที่คนไข้บอกว่าคนไข้ลุกขึ้นเลยลุกขึ้นได้เลยแล้วก็บอกคุณข้ก็บอก ถ, ถ้าหมอมันหายง่ายอย่างนี้ผมก็ไม่ต้องใช้ไอ้ไอ้เปรยนี้แล้วละ่ะแล้วก็ขนเปยลากเข็นเปยไปเลย เรื่อแรงมาจากไหนที่จริงต้องถา ม, มว่าเป็นแค่นี้ทำไ ม, ไ ม, มีเรื่องไม่มีแรงแค่เป็นแี่ปากคอยทำไมไม่มีเรื่องไม่มีแรงถึงต้องนอนเปลยมานะคำตอบคือว่าคือใจเนี่ยคิดกังวลสงสยัสงง ย, งสงสยว่าเป็นบัลงกเรือง่สงสัยว่าเป็นลูกทีนเนี่ยหรือเปล่าสงสัยเป็นอะไรหรือเปล่าเพียงแค่ความกังวลหรือความคิด ดีส่ไเรืออุปาทานเนี่ยว่าฉันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยเป็นแค่พยายเป็นแค่โรคพยายนเนี่ยมันก็ทำให้ผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่มีเรือดไม่มีแรงได้นะแต่พอรู้ความจริงว่ามันไม่มีอะไรนะเลือดแรงก็กลับคืนมาทันทีเห็นไหมถ้าเราลองดูในกรณีนี้เนี่ยคนไข้บางทีก็เจ็บป่วยกายจะสักสาแต่ออเนี่ยมันมาจากทางจิตใจนะแต่พอบาบัดเยียวยาไอ ที่ว่านี้เพราะรู้ว่ารู้จักหมอไม่มีอะไรนะก็กลับดีนะมีอีกลายหนึ่งฮนะก็ที่ได้คุ้นเมื่อเช้าว่าชาวบ้านเนี่ยที่ในต่างจัว่านี่แกก็เวียนเข้าเวียนออกโรงพยาบาล น, นะต่อมานะหมอก็มาบอกความจริงว่าป้านะป้าเป็นมะเร็งนะ อยู่ได้ไม่เกินสา ม, สามเดือ น, นแกประลึงเลยนะแล้วแกก็เศร้าหดทู่ราะว่า อ, อ, อยู่ได้แค่12บวันแกก็ตายแกไม่ได้ตายเพราะก้อนมะเร็งนะฮะแต่จะตายเพราะใจที่ไม่มีความหวังใจที่กังวลใจที่เครียดนะมันก็ทำให้คนเราเนี่ยสามารถที่ ตายก่อนวันวันนั้วันวนั้นควรไดนะ้เราคงเจอเคสแบบนี้อยู่คนไข้ที่สบายดีคนคนคนคนไข้ที่แก่ก็สบายดีอยู่นะเสร็จแล้ววันหนึ่งไปหาหมอหมอตรวจหมอบอกว่าคุณเป็นโรคหัวใจนะหมอบอกว่าคุณเป็นโรคมะเร็งนะเท่านั้นแหละนะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ย ก็ไม่มีเรื่องไม่มีแรงนอนไม่หลับซึมเครียดตั้งแนตะ่ที่เมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยยังมีเรื่องมีแรงมาหาหมอนะแต่พอรู้ว่าตัวเงเป็นโรคซึ่งบางทีหมอก็พูดผิดด้วยก็มีรายของอาจารย์ประเวศเล่านะอาจารย์ประเวศกลับไปที่เมืองการก็มีป้าคนนึงเนี่ยแกก็ประกอบแกก็ไปทําทํากิจวัตรได้ตามปกติเสร็จแล้ววันนึงไปหาหมอที่โรงพยาบาล หมอบอกว่าเป็นเป็นโรคหัวใจนะเพราะว่าแกไม่กล้าทำอะไรเลยนะจากที่เคยขึ้นบันไดจากที่เคยไปจ่ายตลาดแกไม่กล้าทำอะไรซึมหมดแรงนะพออาจารย์ประเวศกลับไปที่บ้านก็ไปซักถามอาการก็บอกว่าภาพไม่เป็นไรหรอกนะไม่เป็นโรคหัวใจหรอกใช้ชีวิตตามปกติเพียงเท่านี้เนี่ยแกก็กลับยืนมีแรงขึ้นมาใหม่นะ สามารถที่จะเดินขึ้นบันไดาสามารถที่จะไปจ่ายตลาดสามารถทำอะไรได้ปกติเห็นไหมครัว่าไอ้เรื่องของจิตใจเนี่ยสำคัญนะมันทำให้ถ้าเราวางคิดวางใจไม่ดีเนี่ยความเจ็บป่วยทางกายที่มีอยู่แล้วก็จะหนักขึ้นหรือบางทีไม่มีความเจ็บป่วยทางกายเลยเพียงแค่ป่วย ก, ยกายก็ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้มีผู้หญินหนึ่งแกอยู่ไม่มากนะยี่สิกว่าแกไปหา ไปหาแกเป็นโรคปวดโรคปวดหัวเรื้อรังปวดท้องเรื้อรังแล้วก็ความดันขึ้นไปหาหมอครั้งแล้วครั้งเล่าหมอก็ให้ยาไม่หายและที่แปลกคือว่าไปตรวจไปตรวจเช็คล่างกายเนี่ยไม่มีอะไรผิดปกติแกไปหาหมอที่เพื่หมอเนี่ยจะถอนใจนะไม่ป่วยไม่มีอะไรเจ็บป่วยใน ไม่พบอะไรผิดปกติในร่างกายแต่ปวดหัวเรื้อรังปวดท้องเรื้อรังจนกระทังหมอจะหอดจาได้สุดแล้ววันหนึ่งแกก็หมอก็เลยถามว่าไหนคุณช่วยเล่าชีวิตคุณให้ฟังหน่อยสิแกก็เล่าประวัติให้ฟังพอมาเล่าถึงพี่สาวคือแกแ ก, กสิไม่มีแม่แล้วพอเล่าพบถึงพี่สาวเนี่ยอาการแกก็ขึ้นเลยโกรธน้อยเนื้อต่ำใจพี่สาวที่ไม่ดูแลไม่เอาใจใส่ ตัวแก่นะแกคงคาดหวังลูกพี่สาวหลายอย่างนะแต่ว่าพอไม่ได้รังใจ่ายหรืพี่สาวไม่ใส่ใจเนี่ยแกโกรธโมโหหมอบอกว่าผมจะแนะนําคุณอย่างหนึ่งได้ไหมคุณจะทําได้ไหมก็คือว่าให้อภัยพี่สาวคนไข้จะไม่เชื่อนะว่าทําไมแนะนําอย่างนี้แล้วแกก็หายตัวไปเลยไม่ไมา ไ, ไม่มาหาหมอคนนี้นะ พอแทนที่หมอจะให้ยาเนี่ยหมอบอกว่าให้อภัยหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งซึ่หนึ่งปีต่อมาเนี่ยคนไข้เขีแกได้แกได้จดหมายจากคนไข้คนนี้แหละคนไข้ว่าเดี๋ยวนี้แกหายจากโรคนี้แล้วเพราะแกเชื่อเพราะแกทําอย่างที่หมอว่าคือให้อภัยพี่สาวเวลานี้โรคที่เกิดจากความโกรธนะโรคที่เกิดจากความเครียด โดยที่เกิดจากความเปลี่ยนเนี่ยที่ส่งผลต่ออาการทางกา ย, ยมันมีเยอะมากเฉพาะโรคเครอย่างเดียวเนี่ยเราก็คงจะพบได้ว่าเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีปัญหามากนะเขามีอาการต่างๆที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยทางการแพทย์แต่เขาใจสั่นเขานอนไม่หลับหายใจหนักแน่นหน้าอกนะไอ้พวกนี้มาตรวจทางกายภาพมีความผิปกติทางกายแต่ถ้าเขาเลิเรื่องชีวิตเนี่ยเขาจะเล่าเลยเา้า มีความกังวลเรื่องหลายบ้างเรื่องหนี้สินนะเรื่องลูกนะเรื่องการทํามาหากินเพราะ น, นี่คืออำไมเน้นเรื่องของเรื่องของจิตใจเนี่ยว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยมันไม่ใช่แค่ทําให้คนเราทุกข์ทํานานแต่ว่ามันสามารถจะไปทําให้กระบวนการการรักษาทางกายเนี่ยทำให้ทำให้กายจะป่วยมากขึ้นและอาจจะให้กระบวนการรักษาทางทางการแพทย์เนี่ย ไม่ตอบสนองก็มีความเครียดความกังวลมีคนไข้บางคนเนี่ยนะซึ่งให้ให้คนไข้ที่อาการหนักแล้วก็พยายามให้ยาแล้วก็ปวดพยายามยาให้ให้สูเดชเนี่ยนะปรากว่าก็ได้ผลได้ผลได้ไม่ด้ผลไม่นานเสรแล้วก็จะกลับทุรนทุรายใหม่กลับทุรนทุรายใหม่ นะยังมีรายนึงที่ที่จุลาเนะมชาน้กรายฝั่ังทีลนะแกก็เจอเป็นเมียเนี้ยคือไม่ตอบสนองต่อเอสดเดทที่ให้ไปนะจนกระทั่งหมอก็ไม่เขา้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นหมอก็คงมาก็คงเดาได้ว่าแกต้องมีปัญหาในในจิตใจ ลอยให้แกแกก็ลอยแก่ก็แ ก, ก, แกสื่อสารไม่ได้แกก็เขียนเอาแกเขียนคําว่าชียงใหม่เขียนว่าเชิยงใหม่หมอก็ไม่เข้าใจคืออะไรถามลูกๆ ก, ก็ไม่เข้าใจแต่ว่าผู้คยคุยมาปรึกษาหารือกันก็พอจะเดาความได้ว่าแกเคยมาลรงพยาบาลข้อใจว่าที่สนดอกนี่นะแล้วก็อุทิศร่างกายแกยิบอุกําแพงไปแล้วแกมาสนดอกอุทิศร่างกายให้กับที่นี่ ท, ท, ที่โรงพยาบาลเชียงในเชิยงใหม่ หมอก็เลยบอกคนไข้ว่ายุงไม่ต้องเป็นห่วงนะถ้าหากว่ามีมีมีอะไรเป็นไปขึ้นมาเนี่ยทางโรงพยาบาลก็จะรับดูแลให้หมายถึงจะรับรับร่างกายไปจัดการให้แก่ก็ดีขึ้นนะฮะไม่มีอาการทุรนทุรายอย่างที่ที่ที่เคยเป็นไอกรอนีแบบนี้เนี่ยจะมีอยู่ไม่น้อย นะที่พอเราช่วยให้เขาเนี่ยหายกังวลนะรู้สึกว่าเขาได้ได้ทำในสิ่งซึ่งมันเป็นเรื่องสำคัญที่ที่เราว่าเป็นเป็นเรื่องที่ค้างคาใจจนสำเร็จแล้วเนี่ยเขาก็มีอาการน้อยลงหลายคนที่เขาบอกไม่ยอมตายไม่ยอมตายเนี่ยไม่อยากตายพอให้หมอช่วยเต็มที่เนี่ยบางทีเราพอเราไปดูจริงๆเนี่ย ข้อจะห่วงลูกนะคนไข้คนหนึ่งเนี่ยนะแกบอกไม่อยากตายขอให้ช่วยเต็มที่เลยแนะพยาบา์ก็ไปคุยเสร็จแล้วก็พบว่าแกเป็นห่วงลูกสองคนซึ่งตอนนี้ไปอยู่ในความดูแลของคนอนื่นก็นไม่รู้เขาจะเลี้ยงลูกดีหรือปล่ารู้จะลูกจะไปยังไงยาบา์ก็ให้ความมั่นใจว่าลูก ต, ต้องเป็นคนดีพถึงจะรับเปเลี้ยง และคนไข้เองก็คงจะเป็นคนดีด้วยไม่นอกก็ไม่มีใครที่จะรับภาระลุ้นนี้ไปพูดตรงๆท่านแก่สบายใจนะแกบอกเองแล้วว่าความทุกข์ขงแกเนี่ยจากร้อยเนี่ยเหลือแปดหายดสิบนะหรือ20 20ิบยนั่นคือว่าแกกลัวว่าแกจะตายคนเดียวกลัวว่าแกจะตายด้วยความเจ็บปวดกลัวว่าจะไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนในเวลาสุดท้ายเภสัมพันธ์กความมั่นใจว่าแกเป็นคนดีแก ความดีจะช่วยแกแกจะตายในความตายไปในความดีไม่ต้องห่วงนะพยาบาลจะช่วยด้วยแกก็วางใจไปได้เยอะแล้ววันสุดท้ายเนี่ยแกก่อนตายแกก็ถอดแกก็ล่ําลาพยาบาลล่าลาหมอแกถอดหน้ากาเขาบอกว่าก็ขอไปนะจากคนซึ่งเคยบอกไม่ยอไม่ยอมตายไม่อยากตายไม่ยอมตายเนยแต่ในที่สุดเขาสามารถที่จะรับความตายได้ นี่คือนี่คือมิติ ด, ด้านจิตใจซึ่งซึ่งมันมันสำคัญมากนะกับกับการรักษาทางการแพทย์นนะมันมีความหมายเพราะว่าบางทีเรามีเครื่องมือเรามีเทคโนโลยีนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจเราก็จะพบว่าไอความเจ็บป่วยทางจิตใจนี่แหละที่มันจะเป็นตัวขัดขวางการการกระบวนการเยียร์รักษาในคนปกติ ความเจ็บความเจ็บปวดทางจิตใจทําให้กระบวนการรักษาทางการแพทย์ไม่ประสบผลก็มีเยอะอย่างตัวอย่างที่ได้พูดตอนตอน้นและในกรณีของคนไข้ที่อยู่ในระยะสุดท้ายซึ่งเราเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตเขาไว้ได้หรือเราหมดหวังที่จะช่วยชีวิตเขาไว้เขาไว้แลมีอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราให้ยาอะไรเข้าไปในทางที่จะช่วยทำให้เขาเขาสงบลงเขาเขาก็จะไม่ใช่แค่สงบกาย แต่เขาก็จะสงบใจซึ่งทาให้เขาหายทุรทุลายนะและถ้าเขาจะไปเขาก็จะไปอย่างสงบการจากไปอย่างสงบเนี่ยมันมันเป็นสิ่งสําคัญมากนะฮะมันเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับชีวิตของคนคนหนึ่งเป็นยอดปรารถนาของคนไข้ทุกคนลองมาจากการมีชีวิตอ่านะทุกคนต้องการมีชีวิตรอดแต่เมื่อจะต้องตายเนี่ยไม่มีอะไรที่เขาปรารถนามากๆากไปกับการตายอย่างสงบนะ และตรงนี้คือสิ่งที่แพทย์และยาบาลเนี่ยบนัืญนติด้วยเนี่ยสามารถทําได้นะมันเป็นสิ่งสําคัญสูงสุดลองลงมาจากการช่วยให้เขาเมีชีวิตรอดและในความเป็นจริงคือว่าไม่ว่าเราจะเก่งแค่ไหนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทําให้คนไข้ที่เราดูแลเนี่ยเขาลอดตายไปได้ทุกคนถ้าเราเอาความสําเร็จของเราเนี่ยมาผูกไว้กับการ มาปลูกไว้กับลมหายใจของเขาคือว่าถ้าเขามีลมหายใจไปได้เรื่อยๆก็แสดงว่าฉันสำเร็จถ้าเขาหมดลมอะไรก็แสดงว่าฉันล้มเหลวถ้าคุณนิยามความสำเร็จอย่างนี้เนี่ยคุณก็จะประสบความส ำ, สำเร็จไม่ได้มากหรือไม่ได้บ่อยเพราะว่าต้องมีคนไข้ที่จะต้องตายในการดูแลของเราแต่ถ้าเรานิยามความสาเร็จใหม่ว่า ความส่วเราก็คือว่าถ้าเขาถ้าเขามีเหตุปัจจัยเขาก็อยู่รอดแต่ถ้าอาการเขาหนักก็จะต้องตายเราก็จะช่วยเขาตายอย่างสงบเราก็จะช่วยประครับประคองเขาจกนกทั่งเขาสามารถที่จะเข้าสู่การตายได้อย่างสงบถ้าเรานิยามความสําเร็จอย่างนี้เนี่ยธรรมาเชื่อว่ามีโอกาสที่ทุกท่านเนี่ยจะจะประสบความสำเร็จได้นะอาจจะร้อยเเซก็ได้ นะหรืออาจจะ89 10% ก็ได้เพราะว่าคนทุกคนเนี่ยสามารถจะตายสงบได้โดยไม่เลือกว่าจะอยู่ในวัยใดเพศใดโดยไม่เลือกว่าจะเข้าใจธรรมะหรือไม่อัตมาได้ได้ได้ได้ฟังเรื่องของเด็กอายุ สขวบซึ่งก็เป็นมะเร็งไตเราอยู่ในระยะสุดท้ายวันสุดท้ายนี่เขาเขากระสับ ก, กระสา่ายก็ทุรนทุลายมากมีปัญหาเรื่องการหายใจพยาบาลเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าพยาบาลเนี่ยคุ้นเคยกับเด็กคนนี้ดีแล้วพยาบาลก็เป็นคนรักเด็กก็เลยใช้วิธีชวนคุยนะ ชวนคุยเรื่องอะไรชวนคุยเรื่องจะพาไปเที่ยวซื้ออุตรแมนเด็กชอบอุตรแมนนะในลองที่เด็กกระกาสับกระส่ายเนี่ยพยบาลก็พูดนะว่าจะพาไปผ่านรูปซื้ออุตรแมน <c oughs> บรรยายเป็นฉากอย่างเป็นภาพพจน์ว่าระหว่างที่เดินจากบ้านไปซื้อของเนี่ยผ่านสนามเด็กเล่นนะได้โรจิงช้าได้เป็นกระดานหกแล้วก็ต่อไปจนกระทั่งถึงไปซื้อหาสัปปะไปหาสัปปะสินค้า ขึ้นไปบนชั้นสองไปซื้ออุลตรแมนมีสีอะไรบ้างพันธนาภาพจนั่งเด็กเห็นระหว่างที่เด็กเนี่ยเด็กแกฟังนะฟังบางครั้งแกก็แสดงท่าทังอุลตราแมนทำท่ายกมือขึ้นมาตัวกระทั่ทงพอซื้อเสร็จนะก็แม่ก็คือแกก็ได้ข้อมูลจากแม่ว่าเด็กคนนี้เคยไปไปเคยไปเยี่ยมไปไหว้หลวงพ่อเขียวพยาบาลก็เลยชวนไปกราบหลวงพ่อเขียวด้วยกัน นะเสร็จแล้วก็อะไรแบนั้ น, นก็ให้ให้แม่เนี่ยนำต่อนำนำนำจิตต่อไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะแก่สงบลงนะแล้วก็สองสามชั่วโมงแกนั้นแกก็ไปอย่างสงบนะ<ม>เด็ก<ม> 10เด็ก10ตัวอีกลายหนึ่งเด็กตัวยี่สิบขวบนะชื่อน้องอ๋องนี่เกิดที่อัดใหญ่มออัดใหญ่น้องอ๋องนี่แกเป็นมะเร็งแกเป็นมะเร็งเลือดนะ แล้วก็แม่เนี่ยก็เตรียมใจแล้วก็พยายามชวนให้น้องออกนี่ได้เตรียมใจพาไปเข้าวัดเข้าวาไปสวนโมกนะเด็กก็ได้ไดยินได้ฟังเรื่องอาจารย์พุทธทาสแม่ให้ให้เด็กเนี่ยได้ทำในสิ่งที่ต้องการอยากได้อยากทำแต่แล้วมาถึงวันหนึ่งแกก็ป่วยหนะักต้องเข้าโรงพยาบาลนะ ตอนที่แกมีสติดีอยู่เนี่ยแกพอเึงอการป่วยหนะักแกก็บอกว่าป้าแม่กับป้าขอลน้อง อ, องค์ขอลาก่อนนะเสร็จแล้วแกก็มีปัญหาการหายใจดูดีแกก็อา น, นเจนมาเป็นเลือดแกตกใจนะว่าพี่น้องข อ, องกลงังจะตายหรือพยาบาล น, นะก็บอกว่าใช่น้องกำลังจะน้องกำลงังจะตายแต่น้อง อ, องค์เป็นคนกล้าน้อง อ, องค์ไม่ต้องกลัว ข้างหน้าอาจารพุทธทาสและเพื่อนๆรออยู่คือ เ, เพื่อนที่ตายไปแล้วในรุ่นเดียวกันที่เป็นมะเร็ง น, น้องข้างหน้าเนี่ย ม, มีอาจารย์พุทธทาสและและเพื่อนรออยู่น้ององค์เดินเข้าไปข้างหน้าด้วยอย่ากลัวป้าและก็แม่จะช่วยป้าแม่ที่รับตกใจแต่ว่าพยาบาลเตือนสติแม่นีแล้วก็แม่ก็ก็เลยสอบก็เลยนําลูกทําภาวนาพุทโธซึ่งแม่เคยสอน หายใจกาพูดหายใจออกทัหายใจก็พูดหายใจออกทัแม่สงบลูกก็สงบด้วยแล้วคืนนั้นแกก็ไปนะนี่คือนี่คือตัวอย่างของของของเด็กนะซึ่งก็ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากนะแต่ว่าการนำการความสามารถการนำของของหมอของพยาบาลของญาติเนี่ยก็สามารถที่ทำให้เขาไปางสงบได้ ทังทงี่อาการทางกายนี่มันแย่นะแต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะสื่อตรงถึงใจเขาได้เนี่ยแล้วก็น้อมใจเข้าไปในทางที่ดีเนี่ยก็สามารถช่วยเข้าไปได้สงบในบางกรณีก็อาศัยพระนะแต่ก็ไม่จําเป็นมีกรณีหนึ่งนะก็อันนี้พระเพื่อนของธมารายฟังคือตอนนั้นเพื่ออาจารย์ธรตมานะี่ป่วยนะป่วยแล้วก็เป็นมะเร็ง อยู่ที่จุลาประมาณตีสองเนี่ยก็มีคนก็นมีญาติก็มีคาราวานเนี่ยมามานิมนต์ท่านไปรับสังฆทานจากคนไข้ซึ่งห้องซึ่งอยู่ในห้องใกล้ๆกันประมาณตีสองบอกว่าคนไข้ก็เลยไปแนละ้วท่านคือเลยไปรับสังฆทานคนไข้เนี่ยกระสาก ร, ระสาแล้วกระตุกด้วยท่านเล่าว่าไอ้เอส้นไอ้เส้นเส้นสัญญาณชีพเนี่ยมันในเครื่องเนี่ยมันมันมันมันสวิงมันสวิงสูงมาก มันสวิงขึ้นลงน่ากลัวนะพอท่านรับสังฆทานเสร็จท่านก็คิดว่าท่านคงช่วยท่านสามารถจะช่วยได้มากกว่านี้สอบถามประวัติได้ความว่าผู้ป่วยคนนี้เนี่ยชอบชอบชอบใส่บาตรพระวันพระแล้วก็ชอบไปกราบไหว้หลวงพ่อทองที่วัดไตรมนี้ก็เลยผู้ปคนไข้ว่าป้าอโยมนะ วันนี้วันพระนะ เ, เตรียมตัวใส่บาตรกันคดข้าวใส่ขันเตรียมดอกไม้ทุกเทีย น, นเสร็จแล้วก็พูดนำไปนะเสร็จแล้วก็บอไปที่หน้าบ้านทางซ้ายเห็นพระไหมไม่เห็นทางขวาเห็นพระไหมเห็นตอนนี้เนี่ยอาการทุรงทุรายแกเริ่มเริ่มเริ่มเริ่ ม, มลดลงนะฮะเริ่มลดลง แล้วก็เลยนำเสร็จแล้วก็นำพระ น, นำนำคนไข้เนี่ยใส่บาพูดนำนะพูดนำใส่บาใส่บารูปที่1รูปที่2รูปที่3ามรูปที่เก้าเสร็จแล้วก็บอกว่ า, างั้นเสร็จแล้วนะไปหาไปที่วัดต้อยนิกร์นำพาไปถึงน า, นาถึงไ ป, ไปที่ไปที่โบสถ์กราบพุทธรูปพระประธานนั่งสมาธิทำภาวนาพุโทโธนำต่อให้นั่งภาวนาหายจากเข้าพูดหายใจอโก ตอนนั้นเนี่ยนะแกลดสงบลงสงบลงสงบลงนะสัญญาณชีพเนี่ยไอเต้นไอไอสัญญาณที่ที่ในเครื่องเนี่ยมันมันมันแกว่งน้อยลงแล้วมันก็ค่อยลดลงลดลงลดลงนะระหว่างที่นำภาวนาเนี่ยตรงทั้งแบร ล, ล่าแกไปอย่างสงบนะเท่านั้นที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยแกกระตุกแกกระสบ ก, กระส่ายอาการอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีมันไม่มีม มันไม่มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่จะจัดการได้เร า, เร า, เราทุกเราแลายเราทุกคนก็ทราบดีเจอการอย่างนี้เนี่บางทีก็ไม่ไม่มีไม่รู้จักเทคโนโลยีอะไรมาจัดการใช่ไหมฮะจะฉีดยาจะปั๊มอะไรก็ตามยิ่งแล้วใหญ่แต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้ก็คือว่าในสภาพเช่นนี้เนี่ยเขายังสามารถจะรับรู้ได้และถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะช่วยน้อมใจให้เขาเนี่ยไปในทางที่สงบ ไม่ใช่ใจเขาสงบเพียงเดียวกายเขาก็สงบด้วยนะถ้าถามว่าสิ่งเนี้ยสิ่งสําคัญแค่ไหนสําคัญมากเพราะว่าเมื่อเขาเมื่อการการที่เขาไปสงบเนี่ยนอกจากมันจะหมายถึงการที่เขาไปอย่างไม่ทุกข์แล้วมันยังหมายถึงการที่เขาไปในทางที่ดีด้วย คนเราเนี่ยนะความสงบอย่าว่าแต่คนป่วยเลยแม้กระทั่งคนธรรมดาเนี่ยก็ต้องการความสงบในจิตใจนะยิ่งคนที่เขากลังเจ็บป่วยทางกายเนี่่ถ้าเขามีความสงบทางจิตใจมาช่วยมันก็ทําให้ความเจ็บป่วยทางกายน้อยลงและมันทําให้ช่วยทให้คุณภาพชีวิตเขาเนี่ยดีขึ้นมันไม่เลวลงนะทำให้เขาไปยังไม่ทุกนะซึ่งเราจะมาคิดว่ามันสาคัญกว่าการที่เขามีลมหายใจ เพิ่มขึ้นนานขึ้นเราอาจจะยืดลมหายใจเพืาอให้นานขึ้นนานเป็นวันเป็นอาทิตย์แต่ถ้าก็อยู่ในสภาพเช่นนั้นด้วยความทุรนทุรายนะอาตมาคิดว่าไม่ว่าเราหรือใครก็ตามก็คงไม่ขอเลือกวิธีนั้นนะแม้ถึงแม้ถ้าหากว่าลมหายใจจะสั้นลงแต่ว่าอยู่อย่าง อยู่ในสภาวะเช่นนั้นเนี่ยด้วยใจที่สงบอาตมาช่วทุกคนที่ต้องการแบบนี้มันไม่มีความหมายเลยคือว่ามีลมหายใจยืดยาวนานขึ้นแต่ว่าทุรน ท, ทุรายเจ็บปวดนะมันไม่มีความหมายเลยแต่ว่าถ้าหากว่าลมหายใจไม่สามารถจะยืนยาวขึ้นแต่อยู่แต่ไปอย่างสงบแล้วก็ก่อนไปก็อยู่ในความสงบอาตมาคิดว่าสิ่งนี้สาคัญกว่า และสิ่งนี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่แพทย์และพยาบาลทุกคนเนี่ยสามารถทําได้นะเพราะมันเป็นสิ่งซึ้นไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับโครคภัยไข้เจ็บ ด, ด้วยเพราะว่าจะเป็นโครคภัยไข้เจ็บแค่ไหนเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะช่วยน้อมให้เขาไปในทางที่สงบได้นะและตรงนี้เนี่ยมันจะมันจะไม่ใช่ดีกับคนไข้ยอยเองนะมันดีต่อญาติด้วย อาตมาได้พบคนไข้จำนวนญาติจำนวนมากที่เมื่อเขาเห็นคนรักของเขาจากไปสงบเนี่ยถ้าเขาร้องไห้เขาก็ร้องไห้ได้วยความปิติไม่ได้ร้องไห้ได้วยความเศร้าหลังทศแต่เขาแต่เขาดีใจว่าเขาสามารถช่วยหรือได้เห็นคนรักของเขาในจากไปสงบซึ่งต่างจากคนสางจากบางเคสซึ่งอาจจะมีอาจจะมี อาจจะมีชีวิตยืนยาวขึ้นเพราะการช่วยด้วยกระบวนการทางการแพทย์และเครื่องมือต่างๆแต่ผู้ปว่วยอยู่ใ น, ในสภาวะาที่กระือกระหอบทุลนทุลายและจาไปอย่างเจ็บปวดนะคนคนไข้ก็ทรมานญาติเนี่ยก็ทุกข์แม้เหตุการณ์ผ่านไปแล้วแม้จะทแม้จะโปร่งศพไปเรียบร้อยแล้วเป็นเดือนเดือนคนไข้ก็ยังยังติดหูติดตาอาการทุลนทุลายของคนไข้ ของคนที่เขารักน่ะว่าเขาเขาว่าคนว่าคนนั้นเขาทาผิดอะไรคนไข้เนี่ยทําไมเขาทากรรมอะไรว่าทําไมก็ต้องตายแบบนั้นหรือบางทีญาติเองก็โทษตัวเองว่าทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าทําอะไรขาดตกบกพร่องไปหรือเปล่าทําให้คนไข้ต้องตายแบบนั้นบางทีคนไข้บางทีญาติเองเนี่ยดีเพรสเชอรเลยเนี่ยเป็นเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยแต่ทำไมไม่พบกับคนซึ่ง เขาเห็นแกเขาตาเปี่ยนสงบนะเขารู้สึกว่าจะเรียกว่าคนญาติเนี่ยได้รับกันเยียวยาก็ได้จากความเศร้าที่เคยเห็นคนรักของเขาเนี่ยต้องมาป่วยเป็นมะเร็งต้องอายุต้องมาป่วยเป็นมะเร็งในขาที่อายุยังน้อยทําไมเด็กต้องมาเป็นมะเร็งนะทําไมยังยังเป็นหนุนภาษาทําไมต้องมาต้องมาเจอโรครายแบบนี้มันเจ็บปวดแต่เมื่อเขาเห็น เมื่อายาติเห็นคนรักของเขาเนีตายอย่างสงบเนี่ยมันช่วยเยียวยามันช่วยเยียวยาจิตใจของเขานะทำให้เขายอมรับความจริงยอมรับความความความตางคนรักได้อัตมาคเคลื่อนนี่ก็สําคัญเหมือนกันและสิ่งนี้เนี่ยมันอยู่ในวิสัยที่แพทย์พยาบาลทำได้เพราะว่าเรานะในเวลาเราเวลาเราทํางานเนี่ยนะเราสามารถที่จะเยียวยาทั้งทั้งทั้ง ทั้งคนไข้แล้วก็ญาติได้ในเวลาเดียวกันบางทีเราอาจจะอาจจะทำอะไรได้มากไม่ได้มากแต่บางครั้งเนี่ยเพียงแค่เราให้เปิดโอกาสให้ญาติเขามาช่วยดูแลคนไข้ของเขาด้วยเนี่ยมันก็มีความหมายมีคนไข้คนหนึ่งเนี่ยแกแกอยู่เปนมากนะเสร็จแล้วแกก็แกก็เป็นไม่ทราบเป็นเอชหรือเป็นมะเร็งนะ แล้วก็อยู่ในระยะสุดท้ายหมอเนี่ยนะเห็นอาการของแม่ที่มามาเฝ้าลูกแล้วเนี่ยเห็นแล้วก็สงสารแม่เนี่ยรู้สึกรู้สึกรู้สึกแย่มากแย่มากด้วยหลายสาเหตุประการที่หนึ่งคือเมื่อตอนที่ลูกยังปกติอยู่แม่ก็ห่างเงินจากลูกต่อมาเมื่อลูกป่วยลูกก็ไม่เคยบอกแม่ แล้วแม่เมืมม่อหลุกอาการหนักแม่ก็ได้แต่นั่งเฝ้านั่งดูสิ่งที่หมอทำนะฮะน่าสนใจหมอเนี่ยชวนให้แม่เนี่ยมาช่วยล้างมาช่วยเช็ดตัวให้ลูกถามว่าตรงนี้พยาบาลทำได้ไหพยาบาลก็ทําได้แต่ทําไมต้องให้แม่ทำนะก็เพื่อให้แม่ได้มีส่วนอย่างน้อยในเวลาสุดท้ายของลูกเนี่ยแม่ได้มีส่วนได้ดูแล นะมันไม่ใช่เป็นการมันไม่ได้เป็นการชำระชำระชำระร่างกายของของลูกเท่นั้นนะแต่ในรหว่างที่แม่เนี่ยเช็ดตัวลูกเนี่ยแม่ก็ได้เช็ดเอาความรู้สึกผิดความรู้สึกหม่นหมองออกไปจากจิตใจของแม่ด้วยและสิ่งนี้สำคัญฮนะเนะพราะเมื่อเมื่อแม่เนี่ยเขารู้สึกดีขึ้นเขาก็จะตาเขาก็จะมีแวว และแมเมื่อลูกเนี่ยเห็นตาของแม่มีแววเนี่ยลูกก็ก็จะรู้สึกดีขึ้นนะเรื่องนี้ก็จบลงอย่างที่เราก็คงจะเดาได้คือลูกเสียชีวิตนะแต่สําหรับแม่เนี่ยเขารู้สึกว่าอย่างน้อยเนี่ยในท้ายทสุดท้ายเขาได้ทําอะไรบางอย่างที่มีความหมายไม่ใช่เฉพาะทางร่างกายที่ทางร่างกายมันไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่หรอกฮนะการเช็ดตัวลูกแต่ ม, มีความหมายต่อจิตใจของลูกและของแม่บางครั้งเนี่ย ความตายเนี่ยหรือความเจ็บปวดในร่างสุดท้ายเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ทําให้คนสองคนที่เคยมีเรื่องเผื่อนทางหมางเมืินต่อกันได้มาคืนดีกันระหว่างสามีกับภรรยาระหว่างแม่กับลกูกนะหรือระหว่างเพื่อนกับเพื่อนถ้าหากว่าเราเนี่ยนะเราให้ความสมัยกับไมิติด้านนี้คือด้านจิตใจและวก็ด้านส ม, มรรถภาพเนี่ย ความตายไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่เลวร้ายฮะความใจไม่ความตายไม่จำเป็นต้องจบลงด้วยความเลวร้ายด้วยความเศร้าแต่เป็นโอกาสที่จะสามารถเทียนนําเอาคนสองคนที่เคยเล่าฉายกันได้กลับมากลับมาคืนดีกันและตรงนี้คือเป็นการเป็นการเป็นการชี้ให้เห็นนะว่าเวลาพูดถึงความตายเนี่ยเรามักมองความตายว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัว เป็นวิกฤตเป็นเรื่องที่เลวร้ายที่เราอยากจะ <c oughs> อยากจะปับลงไปให้ไกลที่สุดแต่บางครั้งเนี่ยความตายไม่ใช่แค่วิกฤตนะความตายเป็นโอกาสเป็นโอกา ส, กา ส, กาสที่ทำให้คนคนหนึ่งได้เข้าถึงความสงบสิตใ จ, จซึ่งเขาอาจจะไม่เคยพบมาก่อนและความตายยังเป็นโอกาสที่จะที่จะดึงที่จะนำให้เกิดการคืนดีกันความตายอาจจะหมาย ถ, ถึงความตายของคนบางคนอาจจะหมาย ถ, ถึง ยาล้ำตาที่เปลี่ยนไปได้ปิดติที่ของของากที่เห็นคนรักเขาจากไปอย่างสงบนะและตรงนี้เนี่ยมันมีความหมายความหมายทั้งต่อเราเองในฐานะแพทย์เปี่ยนบาลและความหมายต่อคนไทยแล้วก็แล้วก็แล้วก็ญาติด้วยตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อาตมาเนี่ยอยากจะให้มันมีมันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาในโรงพยาบาลเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาทางการแพทย์ ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีคนให้ความสนใจในในฐานะที่เป็นการแพทย์แบบประคับประคองการแพทย์แบบประคับประคองนี่ก็คือการยอมรับความจริงว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีบางคนที่ไม่สามารถจะเยียวยารักษาให้หายได้แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะประคับป ร, ระคองก็ให้เข้าสู่วาระสุดท้ายของชีวิตได้ด้วยใจที่สงบและตรงนี้อย่างที่มิติทางด้านจิตใจสําคัญ แต่มิติทางจิตใจที่จิงมันสาคัญมาไม่ใช่เฉพาะกับคนที่กล้าจะตายหรือคนที่อยู่ในระยะสุดท้ายคนที่ธรรมดาธรรมดาเรื่องจิตใจก็สําคัญอย่างที่ได้พูดเด็ดตั้ตอนต้นว่าคนปกติธรรมดาคนที่ไม่ใช่อยู่ในระยะสุดท้ายเนี่ยแต่เขาก็มีมิติทางจิตใจที่ทําให้เขาความจะบปวดเขาดุริลรงมากขึ้นจากจากทุกข์แค่หนึ่งก็อาจจะเป็นคูณ2คูณสามได้ถ้าจิตใจเนี่ยแย่ yeah. แต่ถ้าจิตใจดีนะความทุกข์มันหายสองหารสามเลยนะฮะคนที่เคยทุรนทุรายทรมาเนี่ยพอเขาได้มีคนมานำจิตเขาหรือได้มีคนมาช่วยเขาเนี่ยน่อนมไปในทางที่ดีความไอ้ที่เคยเกลยดกระสักระสายเนี่ยเบาบางไปและบางคนเนี่ยก็าสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะเรื่องจิตใจ มีอันนี้อาจจะไม่ใช่ปเป็นผู้ป่วยระยสุดท้ายนะแต่เป็นเคสที่น่าสนใจมีมีเด็กคนหนึ่งนะแกชื่อแกชื่อนงนะตอนยุแกเริ่มพวกจะเป็นโรคพุ่มพูนประมาณวยสิแล้วก็ทําให้อาการแ ก, นกนหนักจนกรทั่ท ง, ตงต่อมาตายก็าวายแล้วเมื่อเวลาไปฟอกเลือดเนี่ยเวลาแกเจอแกเจอเข็มเนี่ยนะประสบการณ์ทั้งหลาที่แกเจอเข็มเนี่ ย, ย, นนยในการฟอกฟอกเลือดเนี่ยมันไม่ดีเลยปวดมากแกร้องกรีด และทุกครั้งเวลาแกเจอเข็มเนี่ยแกจะร้องกรีดตลอดเวลาจนบางทีสลบเลยนะฮะแกคง ม, มีมีการแพ้ตรงนี้ด้วยนะแต่ต่อมาแกไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์แพทย์คุณมอสุมาลีนิมันนิตที่สิริราชนะซึ่งท่านสนใจเรื่องเรื่องสมาธิภาวนาท่านก็พยายามทำความเข้าใจกับเด็กคนนี้ว่าให้เขายอมรับให้ให้ให้เขาเนี่ยเผชิญหน้าความกลัวว่ากลัวเรื่องอะไรนะให้ยอมรับมันเข้าใจมัน อย่างมีสติจนกระทั่งในสุดเดคุณเนี้แกก็เริ่มสนใจทำสมาธิภาวนานะเพราะว่าแกกลัวเข็มน้อยลงแกสามารถที่จะมองหเห็นเข็มที่แทงเข้าในตัวแกตัวที่แกไม่ไม่ไม่ไม่ร้องไม่ตื่นตกใจได้แต่สิ่งที่มันแปลกตรงนั้นก็คือว่าดูต่อมาเนี่ยแกต้องเปลี่ยนไตต้องผ่าตัดและในที่ผ่าตัดนั่นเองเนี่ยโอ้แกแพ้แกแพ้ยาที่ระงับปวดทาให้แกเนี่ยบวมตัวบวมอาเจียนอย่างหนักเลย หมอเขทํางานไม่รู้เจองี้งงเขาไม่ไรู้ทายัางไงแกทำยังไงมึงทราบไหมฮะแกบอกขอพาราเมตหนึ่งแต่แล้วแกก็ตามลมหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าออกเข้าออกเข้าออกแล้วแกก็หลับไปแกไม่ได้ใช้ยานะฮะแล้ว ก, ก็การผ่าตัดก็เรียบร้อยในที่สุดนะอันนี้เป็นเเปเป็็นนตัวอย่างนะ ค, ะคือถ้าเรา ถ, ถ้าใจวางไว้ดีเนี่ยใจมีสมาธิเนี่ย ไอ้ทุกทางการเนี่ยบางทีมันมันฐานมันลดลงไปหานสองหารสามกรณีหนึ่นงอีกหนึง่งกรณีน่าสนใจชื่อน้องโยนเด็7เจ็ดขวด น, นี่อัน น, น, นี้อาจจะนอกเรื่องไปชักหน่อยนะคือไม่ใช่เกี่ยวเรื่องความตายแต่มันเป็นมิติเรื่องจิตใจป้าชวนน้องโยนขึ้นรถซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ที่นครปฐมเข้าไปในเมืองปกว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนป้าเนี่ย แขนหักน้องโยขาเล็กต้องเรียกนํสนาส่งโรงพยาบาลตลอดระยะทางที่นํสนาส่งโรงพยาบาลเนี่ยป้านี่ร้องโอดโอยน้องโยไม่ร้องเลยไม่ร้องเลยจนกระทั่งเข้าห้องผ่าตัดหมอก็แปลกใจผ่าตาเสร็จหมอถามว่าทําไมน้องโยไม่ร้องน้องโยตอบอยังไงทราบเนี่ยน้องโยบอกว่ากลัวป้าเสียใจครับกลัวป้าเสียใจเรื่องอะไร ว่าคขวบป้าเสียใจว่าพาน้านองโยมมาเจอแบบนี้ เ, นเด็กเจ็ดขวบฮะแต่พอใจแกเนี่ยพอใจแกไม่ได้ถึกตัวเองเนี่ยแกใจจะไม่ได้ถึงป้านเนี่ยไอความเจ็บปวดแกกลายเป็นเรื่องเล็กเลยฮะพราะแกคิดถึงป้าไม่อยากให้ป้าทุกข์มากไปกว่า น, นี้พอป้าก็ทุกข์พอแรงอยู่แล้วจากจากการที่แขนหักคือเนี่ยคือ ไอ้เรื่องของจิตใจเนี่ยนะบางทีเนี่ยถ้าใจวางไว้ดีเนี่ยมันหารสองหารสามในความทุกข์แต่ถ้าใจวางไม่ไว้เป็นเนี่ยมันคูนสองคูนสามเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตมาคิดว่าเออเป็นเป็นเรื่องของการการที่จะช่วยทาให้คนคนไข้ที่อยู่ในความดุแลของเราเนี่ยเขาเขาเขาได้การเยียวยาทางด้านจิตใจ หรือเขาได้รับการช่วยเหลือทางนาจิตใจที่เาม่ s u support เนี่ยสำคัญมากนะแล้วก็ในทางมุทธศาสนาเนี่ยเชื่ อ, อว่าให้ความสงบเนี่ยความสงบนความสงบต้องจากกันนำมาซึ่งความสุขทำให้ไม่สามารถทำให้ไม่ต้องทให้สามารถที่เผชิญกับความทุกข์ทางกายได้ได้ดีขึ้นแล้วเนี่ยหากจะต้องตายก็จะไปสู่สุคตนะิจิตที่สงบ จะไปสู่สุขติแต่จิตที่ทุรนทุลายเนี่ยก็จะไปสู่สุขติเพราะฉะนัคนสมัยก่อนเนี่ยพอที่จุดหนึ่งเนี่ยเขาก็เลือกที่จะไม่ทําการรักษาแล้วพอเขาตระหนักดีว่ า, ากระบวนการรักษาที่พยายามยื้อชีวิตเนี่ยบางทีมันไม่ได้มันไม่ได้ยื้อชีวิตนะฮะแต่มันยื้อความกระบวนการตายมันยื้อความเจ็บปวดให้เน่นานขึ้น เขาเลือกที่จะตายอย่างเป็นธรรมชาติคือไม่กินยาไม่กินข้าวแล้วก็ไม่กินน้ำใหนน้หลายคนนั่งตายฮะหลายคนนั่งตายตายในท่านั่งสมาธิเป็นชาวบ้านธรรมดาแต่เขารู้ว่าเมื่อจะต้องตายเนี่ยไม่มีอะไรที่ดีกว่าการยอมรับความตายแล้วก็ตายอย่างสงบแต่ในทางตรงข้าม ถ้าพยายามขัดขืนต่อสู้ฉันต้องไม่ตายฉันต้องไม่ตายความทุกข์มันจะรุนแรงมากขึ้นที่จริงเนี่ยมันก็ในชีวิตประจาวันเราก็เห็นนะระหว่างให้เด็กฉีดยาเนี่ยเด็กที่พยายามต่อต้านขัดขืนไม่ยอมรับเพราะกลัวเข็มเนี่ยก็จะทุกข์แต่เด็กที่ยอมรับว่าเออไหนไจะเจ็บก็ต้องก็เจ็บนะเขาจะรู้สึกเจ็บน้อยกว่าเด็กที่ต่อต้านขัดขืน ความตายก็เหมือนกันถ้าไปต่อต้านขัดขืนเนี่ยมันยิ่งทุกข์แต่เมื่อย้อนแล้วว่ามันหนีไม่พ้นก็ยอนแล้วว่ามันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติยอมตายก็ไปอย่างสงบอตมาถึงบอกนะว่าตั้งแต่เล็กเมื่อตอนเช้านี่ก็พยายามเน้นว่าการที่คนอะไรตา ย, ยางสงบได้ได้เนี่ยอย่างแด้ที่สำคัญมากคต้องยอมรับ ว, ว่าตัวเองกำลังจะตาย การยอรับตัวเองตัวตายเนี่ยทำให้ยอมรับทำให้ความตายไปเรื่องหน้ากลัวน้อยลงอะไรที่เรายอมรับมันได้มันน่ากลัวน้อยลงนะฮะก็เหมือนกับพวกเราเนี่ยซึ่งใหม่ๆไม่เคยเห็นศพเนี่ยตอนมาตอนมาเป็นนักศึกษาเนี่ยแต่เราพอยอมรับมันได้ว่าโมันต้องเจอนะไอ้การเห็นศพมันก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ไม่ไม่ไมไมน่ากลัวแต่ถ้าขัดขืนต่อสู้พยายามพักสายเนี่ยมันยิ่งหลอนมันไม่ได้หลอนเฉพาะเวลาที่เห็นแต่มันหลอนแนมะ้กระทั่ง ก่อนมันหอนก่อนเห็นได้ซ้ำแล้วก็หลังจากนั้นก็ยังร้หลอนอยู่เนี่ตอนคิดว่าการการการช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยเขาได้ได้ได้ไดพบความสมุขทางจิตใจเนี่ยมันมีความสาคัญมากนะทั้งทั้งกับผู้ป่วยธรรมดาแล้วก็ผู้ป่วยที่ในระยสุดท้ายนะฮะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยที่ใครๆ ก็ทำได้แล้วจะมาที่ว่าในเรื่องของจิตใจเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่มีความหมายต่อต่อผู้ป่วยมากนะก็คือบุ ค, คลิกคือบุ ค, คลิกซึ่งแสดงออกมาทางน้ำเสียงสีหน้าและแบวาตาของแพทย์และพยาบาล มีคนไข้บางคนเนี่ยซึ่งเขาเขาเ อ, อาอะวยวายกับพยาบาลนะไม่เอาเขาเขาเกเรนะแต่บางทีพนมาเจอพยาบาลบางคนเนี่ยก็สงบเลยฮนะจนกรทังพยาบาลถามว่าพี่ไปทำอะไรมาบอกก็ไม่ทำอะไรเขาเพียงแต่ว่าไปคุยกับคนไข้ ให้ความเป็นมิตรความเป็นมิตรที่แสดงออกทางแววลตาทางน้ำเสียงแล้วก็สัมผัสที่อ่อนโยนเนี่ยพากนี้แค่นั้นแหละฮะทำให้คนไข้เนี่ยหายพยศเพราะเขารู้สึกถึงความอบอุ่นใจและบางทีเนี่ยเพียงเท่านี้เนี่ยไม่มีผลต่อต่อการเยียวยรักษาโรคเซอร์วิลเล่ออสเฟอร์เป็นเป็นเป็นแพทย์ที่ ที่ที่มีชื่อเสียงมากในเปิลสัตว์ตัวที่ยนะี่สิบเขาเป็นคนอังกฤษถ้าย์ฟเอร์ออสเซอรเนี่ยแกแกมีคนพูดถึงแกว่าคือเพียงแค่คนไข้เนี่ยเห็นเห็นว่าเห็นหนายแพทย์ออสเซอร์เนียเข้ามาโรงพยาบาลเนี่ยขาก็รู้สึกดีขึ้นนะแค่นั้นเองนะครับออสเซร์บีนเนก็บอกว่าจริงๆผมไม่ได้ทําอะไรมากนะเพียงแค่ว่าได้ได้ได้ได ได้คุยได้ได้พูดคุยกับเขานะอย่างเป็นกันเองคือบุคลิกท่าทางน้ำเสียงแววตาเนี่ย ข, ข, ข, ของของของแพทย์พยาบาลเนี่ยมันมันช่วยคนไข้ไปได้เยอะโดยว่าคนไขนนน้ท่เหนื่อยในรัดท้านเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขต้องการคือเขาเขากลัวว่าาจะตายแบบโดดเดี่ยวเขากลัวว่าจะตายอย่างอ้างว้างแต่ว่าเมื่อเขาเห็น แพทย์และเภสัเนี่ยที่มีมีน้าใจมีแววมีแววงความเป็นมิตรเนี่ยเพียงเทาง่านี้ที่มันช่วยก็ได้เยอะเลยนะฮะแล้วก็อย่างที่อาตมายกตัวอย่างเนี่ยเคสอะไรเคสซึ่งเขามีความมีความมีควา ม, ม, วามทุรนทุรายประชากรศาสตเนี่ยส่วนนึ่งที่เขาสงบได้เนี่ยเพราะว่าความเมตตาความมีน้ำใจความสงบของคนที่มาดูแลเขา แล้วตรงนี้เนี่ยอาตมาคิดว่าเป็นสิ่งซึ่งบางทีมันไม่ต้องมันไมต้องใช้เทคโนโลยีอะไรมากนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเราไปให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีมากและที่เราไปให้ความสำคัญเทคโนโลยีเพราะว่าเราไปไ ป, ไปมองผู้ป่วยแต่ในนิติของกายภาพคือมองผู้ป่วยแต่ในเรื่องของว่าเขาเป็นแค่เป็นแมชชีเป็นเครื่องจักรเป็นรีวิวแมชชีนนะ ไม่ต่างจากนาฬิกาหรือไม่ต่างจากเครื่องยนต์สิ่งนี้สําคัญนะฮะแต่ว่ามันไม่ครบเพราะว่าเขายังมีจิตใจด้วยถ้าเรามองเขาว่าเป็นเพียงแค่เครื่องยนต์เครื่องจักรเราก็จะเยียวยาเราก็จะดูแลเขาแต่เฉพาะกายภาพและการดูแลทางกายภาพของเราเนี่ยก็มักจะหนีไม่พ้นการดูแลเฉพาะชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนอวัยวะบางอวัยวะเท่านั้น หรือที่บางคนบางคนพู้ว่าเนี่ยเวลาเรารักษาเนี่ยเรารักษาไข้แต่ไม่ได้รักษาคนคนไข้เวลาเห็นคนไข้เนี่ยเราเห็นแต่ไข้เราไม่เห็นคนนะเราเห็นไข้แต่ไม่เห็นคนเราก็รักษาแต่แต่เราก็ต้องมู่จัดการกับกับไข้ซึ่งไข้นี้ก็เกิดขึ้นกับอาการอาวัยวะบางส่วนหัวสมองหัวใจปอดตับไตเราไม่เห็นคนเราเห็นแต่ไข้ แล้วเราก็จะรักษาแต่ไข้แต่เราไม่รักษาคนนะแต่ถ้าเรามองว่าคนเนี่ยเขามีร่างกายและก็มีจิตใจเขามีจิตใจเขามีญาติพี่น้องญาติพี่น้องเขามีความสัมพันธ์บางทีเขาทุกข์จากจากคนอื่นนะทุกข์จากคนอื่นมาจากความสัมพันธ์นะแต่ว่าตรงนี้ไม่รับ ก, การเอาใจใส่หมอภูมิภาคจึงเสียทรัพย์เนี่ยนะซึ่งเป็นแกแกเป็นหมอแต่แกไปจบเป็นยาเอกทางด้านมนุษยวิทยาที่ฮาร์วาร์ด ลูนะกจิบเป็นหมอคนเดียวในเมืองไทยที่จบด้านปริญญาเอกของด้านมนิเชวิทยาเขาเล่าว่าเคยมีการทดลองเนี่ยให้ให้ให้คนเนี่ยสมมุติว่าเป็นคนไทยแล้วไปไปไปตามโรงพยาบาลต่างๆไปหาหมอให้คนไข้คนนี้เนี่ยบอกมีบอกว่าเขามีเ้ามีความทุกข์ใจอยู่สิบเรื่องเรื่องอาชีพการงานเรื่องครอบครัวแล้วก็มีความเจ็บป่วยทางกายด้วย ให้ไปหาโรงพยาบาลและพยายามพูดถึงความทุกข์ของเขาในสิเรื่องนี้ให้ได้มากที่สุดส่วนใหญ่ปรากฏว่าพอไปไปหาหมอลับรายงานกลับมาบอกว่าพูดได้แค่สองสาเรื่องพอพูดมากกว่านี้หมอตัดบทนะมันไม่เกี่ยวพูดเรื่องครอบครัวพูดเรื่องพูดเรื่องอาชีพการงานเรื่องนี้สิตมันไม่เกี่ยวกวับเรื่องเรื่องการรักษาหมอตัดบทหมอหมอไมอ่ต้องพูด ห, หมอสนใจโดยเฉพาะเรื่องทางกายภาพนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเวลานี้เนี่ยหมอเนี่ยเราถูกฝึกมาให้รับรู้แต่ในเรื่องของกายภาพอย่างเดียวนะแต่บางทีเราไม่เห็นเลยว่าไอ้เรื่องของส ม, มรรถภาพจิตใจสําคัญมีมีเคสหนึ่งเป็นเป็นผู้ป่วยโรคหัวใจนะฮะแกแกเล่าอย่างเงี้ย แ, แกแกเป็นซีอในอเมริกาแล้วแกก็ป่วยเป็นโรคหัวใจช่วงนั้นแกมีปัญหาเรื่องการหย่าร้างกับภรรยาย เมื่อแกเป็นโรคเมื่อกากล่าเสร็จแกก็อาการโรคหัวใจต้นหนักขึ้นเจนกระทั่งแกต้องไปหาหมอนะแล้วการดูแลแกก็ดูแลรักษาเรื่องการกินการเรื่องการอาหารด้วยแต่อาการแกไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ฮะแกก็แปลกใจทําไมแกไม่ดีขึ้นเพราะแกทําตามแกไปหาหมอแกกินยาแกดูแลรักษาสุขภาพดูแลอาหารแล้วแกก็ไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตก็ไปดูงานวิจัยมีงานวิจัยชิ้นนึงบอกว่า คนที่อยู่อย่างอ้างวางเปล่าเปลี่ยวโดดเดี่ยวเนี่ยมีโอกาสที่จะตายเป็นสี่เท่าคนที่ปกติด้วยโรคหัวใจแกก็เอจใจตรงนี้แล้วแกก็พบ ว, ว่ามันตรงกับแกเพราะว่าแกเป็นคนที่ปิดไม่คบคาสมาคมใครแลแ้วยิ่งจกมีปัญหาเรื่องครอบครัวแกลาแกอยากขาดจากภรรยายอยู่คนเดียวในบ้านตามตามวิสัยคนคนฝรั่งคนอเมริกันเนื่องจากแกกลักวาตายแกทำไงแกก็เลยไป พยายามไปเปิดเปิดเปิดใจเข้าไปสัมพั์กับผู้คนมากขึ้นไปคบค้าสมาคมไปรูปกิจกรรมทางสังคมไปช่วยงานอาสาสมัครบาเป็นประโยชน์เพราะว่าแกดีขึ้นนะแกะดีขึ้นนะแล้วแกดีขึ้นจนกระทั่งเรียกว่าเกิดจะปกติเลยและไม่ใช่ร่างกายที่ดีขึ้นนะจิตใจแกดีขึ้นเกี่ยวแ ก, วแกมีความสุขมากขึ้นแกบอกว่า โรคหัวใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของแกคือถ้าไม่เป็นโรคหัวใจผงไม่คงไม่เจอชีวิตแกผมไม่เปลี่ยนแบบนี้นะโรคหัวใจมันได้เปิดใจแกให้ได้พบคือทันทีที่แกเปิดใจใได้พบกับผู้คนโรคหัวใจแกก็เผาเบาบางไปตัวทั่งแกก็เกิดจะปกตินะถ้าจะูดแบบอีกแบบนึงคือว่าโชคดีที่เป็นโรคหัวใจไปได้ มันกีหลายคนบอกว่าโชคดีที่เป็นมะเร็งแมะเร็งมะเร็งเป็นสิ่งที่เลวร้ายอย่างเดียวนะฮะสิ่งดีๆก็มีมันทําให้หลายคนเนี่ยได้ได้ปบกัะธรรมะได้พบกั บ, รรม บ, กบามสุขบางคนไม่บอกเลยว่าโชคมีความสุขที่เป็นมะเร็งในช่วงที่เป็นมะเร็งมีความสุขเด็กคนทังยี่สิบสองขวบแกเป็นมะเร็งนะแล้วแกพูดกับพ่อแม่ว่าเนี่ยนี่เป็นช่วงที่แกมีความสุขที่สุดทําไมฮะเพราะว่าเป็นช่วงที่แกได้อยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่มากที่สุด พเพราะแต่กรกุงเทพเนี่ยเนี่ยพ่อแม่กับรูกไม่เคยได้เจอกันเท่าไหร่ลูกตื่นแต่เชา้าพ่อแม่ก็ไปทํา ง, งานกว่าจะกลกับบ้านมันก็ดึกห้นหากันตลอดจนทั่งลูกป่วยเนี่ยพ่อแม่ลา ง, งานมาอยู่กับลูกอยู่ใกล้ชิด ก, กับลูกลูกเลยบอกว่านี่คือช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความสุขที่สุดนะเพรความเจ็บป่วยนี่บางทีมันไม่ได้หมายถึงความไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เวลวร้ายแต่มันอาจจะเป็นตัวชักนําสิ่งดีด มาให้แก่ผู้คนก็ได้บางคนได้พบธรรมะได้เข้าใจจุดมุ่งหมายงชีวิตแล้วก็ได้พบว่าได้เข้าถึงความสุขที่สุดในชีวิตความตายก็เช่นเดียวกันนะเลยความความเจ็บป่วดในท้ายที่สุดก็เช่นเดียวกันสามารถจะนำสิ่งดีที่สุดในชีวิตมาให้แก่คนไข้ได้สามารถจะเป็นโอกาสในการคืนดีกันได้ังั้นถ้าเราเขา้าใจตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ที่จะใช้ความตายเป็นประโยชน์ นะเราจะไม่จะมองเราไม่ควรจะมองความตายไปในแง่ในแง่ที่เป็นวิกฤตแต่เป็นโอกาสแต่ผู้อีกนยิ่งไปแตะเขาว่าเออก็ปล่อยเขาตายไปเร็วๆนะไม่ใช่แต่หมายถึงว่าเราพยายามที่จะใช้โอกาสนี้เนี่ยในการที่จะทําให้เขาเนี่ยได้พบนะได้พวกความสงบในวาระสุดท้ายและเป็นโอกาสทําให้เขาแต่ละฝ่ายแต่ละคนเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาได้มีโอกาสได้ใช้ช่วงนี้เนี่ยให้เป็นประโยชน์ที่สุด เช่นการฟื้นสมรรถภาพดงั้นจะเรื่องกระบวนการครานี้เรื่องของการช่วยเหลือจิตใจเนี่ยตมาก็พูดมเยอะถ้าถ้าจะสรุปนะฮะถ้าจะสรุปเนี่ยมันมีมันมีอยู่สีหขั้นตอนที่อยากจะอยากจะอยากจะเน้ น, นอันแรกคือการการให้ความรักแก่เขาเพราะว่า คนเรเนี่ยเวลาเวลาเจ็บป่วยเวลาใกล้าตายเนี่ยกลัวกลัวว่าจะตายคนคนเดียวกลัวว่าตายแล้วจะไปไหนกลัวว่าจะเป็นภาระแก่ผู้คนเป็นห่วงสารพัดแต่สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ความกลัวมันลดลงคือความรักความรักของแพทย์พยาบาลความรักของขอ ง, ของญาติมันเป็นธรรมอษฐ์เนะีที่ช่วยทําให้เ้าเนี่ย สงกลงได้ทำให้เขาอบอุ่นใจนะแล้วความรักนี้มันสามารถแสดงออกได้หลายวิธีฮนะม่ไม่ต้องบางทีม่ไม่ต้องปฏิประดอยใพ้คําที่สวยหรูแต่การพูดอย่างจริงใจแววตาที่มีเมตตาน้ำเสียงที่อ่อนโยนสัมผัสที่แผ่วเบานะช่วยได้นะ การที่สองคือการช่วยเขายอมรับความตายที่จะมาถึงหรือยอมรับความจริงอย่างที่เทตามาได้บอกไว้เมื่อกี้นี่ว่าการที่คนเราจะตายสงบได้นเนี่ยสิ่งสำคัญอย่างแรกที่ต้องทำคือยอมรับตัวเองกล้าจะตายเพราะเมื่อตรงตรงนั้นเนี่ยเมื่อคนอะไรก็ตามที่คนเรายอมรับความสงบจะเกิดขึ้นคนที่เมื่อรุดเมื่อตัวเองรั่วจะต้องตายและไม่ต่อสู้ขัดขืนเนี่ยความสงบก็จะเกิดขึ้น และบางทีนะอาจทำให้รอดชีวิตได้มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยแกเล่าให้ฟังฮะวันหนึ่งตอนเชา้าแกขับรถขึ้นทางด่วนขับรถด้วยความเร็วสูงปรตกว่าขัขบพอไ ป, ไปถึงเลี้ยวโค้งเนี่ยข้างหน้าเนี่ยรถติดกลาเป็นแพรยแกก็เริ่มเบรคเมื่อเริ่มเบรคเนี่ยแกมองไปที่กระจกหลังมันมีรถคันหนึง่งพุ่งเวียงแรงข้ามาไม่ชะลอเลย หมายเขาว่าไงฮะหมายเขาว่าแกกำลังถูกก๊อปปี้ตอนนั้นแกรู้เลยว่าแกต้องตายนะเพราะรถแกก็เร็วใช่ไหมข้างหน้าเนี่ยรถจอดข้างหลังนี่รถวิ่งเข้ามาพอแกรู้ว่าต้องตายเนี่ยแกแกทําใจนะว่าจะต้องตายนะแต่ถ้าแกมาดูที่มือแกเนี่ยมือแกเกรงพวงมาลัยแกบอกแกเกรงนี่มาตลอดชีวิตแล้วคือแกเป็นคนทำงานผู้หญิงเก่งนะ แกบอกว่าทั้งในวินาทีนี้ฉันขอไปอย่างสงบเพืกก่งแก้ไยรู้ออกแล้วลรถคันนั้นก็เข้ามาชนประสานงานก็ย่างแรงรถพังยับเยินทั้งสองข้างทั้งหน้าทั้งหลังเพราะเกิดว่าแกรอดมาได้ฮตำรวจนี่ช่วยชีวิตรอดมาได้ตำรวจบอกว่ามันไม่น่ารอดมาได้นแต่ว่าแกรอดมาได้เพราะอะไรสร้างนะเพราะว่าแกบอกตำรวจบอกว่า ถ้าคุณเกรงเนี่ยนะคุณจะรับแรงกระแทกอย่างแรงแต่พอคุณอ่อนเนี่ยปล่อยมือลงไปเนี่ยคุณจะรับความตายเนี่ยไอ้น้ำหนักที่มันกระแทกเข้ามาเนี่ยมันก็มันก็ถ่ายออกไปมันมันต้นอ่อนหรือต้นไผ่เนี่ยที่มันเองมันก็เจอแรงลงมันก็ไม่มันก็ไม่มังก็ไม่หักแต่ถ้าเป็นสายฟ้าก็หักเลยนะหรือต้นไม้ใหญ่ๆก็หักเลย นี่นี่คือเรื่องคนซึ่งเขาเมื่อเขาเมื่อเขาเมื่อเขายอนรับความตายแล้วก็าสงบ ม, มากเขาบอกแลว้วก็บอกหลังจากนั้นชีวิตเขาเปลี่ยนไปเลยเพราะแต่ก่อนเขาเป็นคนที่เรียกว่าเรียกว่าเอาจริงว่าจังเราชีวิตต้องให้ได้ต้องให้ไ ด, ตได้ต้องให้ได้เป็นการต่อสู้เครียดไปทุกอย่างนะแต่ต่อหลังเขาก็เริ่มปล่อยวางมากขึ้นเมื่อเชา้าก็เล่าถึงอาจารย์มชคนหนึ่งซึ่งขึ้นเครื่องบินไปแล้วก็าบอกว่าเครื่องบินเครื่องมีส่วนตัวนะแล้วก็คือบินมันดับเปล่าอากาศบินไปได้สินาทีเครื่องบินมันดับ สตาร์เท่าไหก็ไม่ติดเพื่อนที่เป็นคนขาวก็พยายามสตาร์ก็รู้แล้วว่าต้องตายสำคัญว่าจะตายยังไงจะตายแบบกลางตายโดยทําให้คนอตายไปด้วยหรือเปล่าคือไปตกในหมู่บ้านคนหรือไปตกในป่าก็เลือกที่จะรอดในเครื่องบินนี้ไปตกในป่าแต่ว่าช่วงนั้นที่แกสงบมากเลยนะคือแกไม่ดิดนรนที่จะที่จะมีชีวิตรอดแล้วเนะพราะตอนนั้นที่มันตายเนีตายแล้วนาก็ยอมรับ ว, ว่าสงบมากเพราะว่าฟ้าข้างนอกก็สวยข้างล่างก็ ก็เป็นวิวทิวทัศน์มีภูเขาสขีเขียวเนีย ก, ก็เงียบเพราะเครื่องมีระดับสงบมากเราก็ไม่เคยเจอความสงบมาก่อนเลยเป็นยีสิบนาทีจนกระทั่งเครื่องสตาร์ทติดและสุก็เลยตัดสินใจกลับไปที่เชียงใหม่นะมาพบ ว, ว่าที่เครื่องสตาร์ทไม่ติดเพราะฝนตกน้ำนเข้าไปในเครื่อง แต่พอจัดการแก้แก้ซ่อมเสร็จก็บินต่อไปไม่กลัวลนะฮะนี่นคือถ้าให้เขายอมรับความตายได้เนี่ยมันจะสงบและสําคัญประโยชน์อย่างหนึ่งคือว่าเมื่อยอมรับความตายแล้วเนี่ยคุณก็รู้ว่าคุณมีเวลาไม่นานคุณจะเคลียร์แล้วก็เคลียรสส์สามารถเคลียร์สินข้าขาดใจ ส, สังเืรออะไรก็ ส, สั่งเื้อได้แต่ถ้าไม่ยอมรับความตายเนี่ยญาติก็ไม่กล้าพูด ไม่กล้าพูดไม่กล้าขอเข้ามาเพราะกวคนไข้จะรู้หมอก็ไม่ไม่กล้าเข้ามาหรือมาก็มาแป๊บๆเพราะกลัวคนไข้ถามไม่อยากโกหกคนใข้มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปคนคนไข้ก็จับได้นะเขาเซนได้ทำไมทำไมญาติเนี่ยตาแดงๆทำไมหมอมาแล้วก็ไปไม่เคยพูดไม่เคยคุยเขาเซนได้เราเชื่อเขาเซนไม่ได้และต่างคนต่างอมพัน้าไม่กล้าพูด คนไข้ก็ไม่กล้าพูดกับญาติเพราะกัวว่าญาติยัยงทำใจไม่ได้ญาติก็ไม่กล้าพูดกัวคนไข้จะตกใจก็เลยเป็นว่าตายโดยที่มีสิ่งั้งขาดใจอยู่ประกรที่สามคือการการน้อมให้ความคิดถึงสิ่งที่ดีงามนียอย่างเช่นพระที่นําคุณป้าเนี่ยให้นึกถึงการใส่บาตรพระ หรือว่าพยาบาล น, นําพาน้อง อ, องเนี้ยให้ระลึกถึงอาจารพุทธทาสแล้วก็เดินเข้าไปให้กลัวตา ย, ยการน้อมนึกถึงสิ่งที่ดีงานคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือเช่นพระตันตนาตา ย, ยุทธ์พระเจ้าหรือาศาสนาที่ขณัตถือเนี่ยมันช่วยทําให้ใจเขาสงบลงได้ถ้าไม่น้อมนึกถงสิงนี้ใจก็จะไปจมอยู่ความเจ็บความป่วยใจก็จะฟุ้งซ่านแต่ว่าถ้าน้อมนึกถึ ง, ส, งสิ่งที่ดีง า, ง า, ามใจก็สงบได้ หรว่านึกถึงความดีที่เขาได้ทําความดีที่เขาได้ทําในฐานะพ่อในฐานะลูกในฐานะแม่ชวนให้เขาพูดคุยเรื่องความดีชวนให้เขาพูดถึงรูปที่เขาภาคภูมิใจชวนให้เขาพูดถึงสิ่งที่เขาประทับใจความสุขอะไรที่เขาเคยมีในชีวิตมันก็ทําให้เขาเนี่ยใจสงบได้ข้อที่สี่เนี่ยปลดปื้มสิ่งข้างขาดใจสิ่งท้างขาดใจที่มีเนี่ย บางทีมันก็หมายถึงงานที่ยังไม่สําเร็จเช่น ค, คุณลุงที่เป็นห่วงเรื่องร่างกายตัวเองว่าตายแล้วนี่จะจะทํายังไงกับร่า ง, งตัวเองหรือว่า อ, อแม่ที่เป็นห่วงลูกบางทีเป็นห่วงข้างคาคนที่อยข้างบางคนเนี่ยนะคขารอรอที่จะพบกับหลานซึ่งยังไม่กลับจากต่างประเทศมีบางคนโคม่าก็ไม่รับรู้อะไรเลยนะ แต่พอหลานกลับมาก็ตื่นขึ้นมานะเสร็จแล้วก็จากไปมีคนหนึ่งแกเป็นอันนี้เป็นพี่ชายของแพทย์ที่สักคะทันตะก็ได้ฟังว่าเป็นเอชนะก็ปิดหน้านตลอดแล้ววันหนึ่งเนี่ยอาการก็หนักมากก่อนที่ก่อนก่อนและก่อ น, ก, อนก่อนที่ก่อนที่จะก่อนที่จะแย่ไปกว่านี้ก็บอกแม่มาให้ช่วยทำสังกะสานด้วย แล้วก็รีบไปแล้ก so oh ็รีบพาไปส่งโรงพยาบาลแล้วแกก็แกโคม่าเลยตอนตอนในวันนั้นนะแม่ไปไปทัดวายสังกทานเสร็จกลับมาไปที่โรงพยาบาลเห็นลูกตกใจเพราะไม่คิดว่าลูกจะการหนาะเพราะเพราะเพราะลูกไม่เคยพูดเลยเสร็จแล้วก็บอกลูกว่าลูกแม่ได้ทำสังกทานแล้วนะบอกว่าพอพูดเซนเนี่ยไอไอไอสัญญาณสัญญาณเนี่ยแฟมัน มันมันมันก็มันก็แบนล่าบไปเล ย, เ, ยเหมือนว่าเขารอรอที่จะให้แม่มาบอกว่าได้ทํททาสังกัดาเสร็จแล้วสิ่งที่้งขาดใจบางทีมันมันเป็นเรื่องของความรู้สึกผิดนะความรู้สึกผิดมีคนหมือนแกเป็นแก่ป่วยมะเร็งฮนระผู้ชายก่อนแกป่วยเนี่ยแกก็ ก, ก็เกิดมีครอบครัวเสร็จแล้วก็ ตอนหลังไปไปไปไ ป, ไปชอบผู้หญิงอื่นแล้วก็ทิ้งสทิ้งภรรยากับลูกเอาไว้ไม่สนใจฮะจนทำมาเป็นมนเร็งผู้หญิงเดิมผู้หญิงคนใหม่ก็ทิ้งกันไปไม่แกไม่มีใครอยู่เพื่อก็เลยกลับมาอยู่แบบภรรยาคนเดิมภรรยาคนเดิมนี่ก็เจ็บปวดเจ็บช้ำ น, น้ำใจแต่ก็ก็ตกลงว่าจะับรับดูแลแต่ว่าไม่พูดไม่คุยเลยนะฮะเพราะแกยังรู้สึกว่ายังให้อภัยไม่ได้ พยาบาลไปเห็นก็เลยสงสัยผิดปกติก็เลยไปถามลูกเกิดอะไรขึ้นก็เลยรู้ความจริงพยาบาลบอกให้ลูกเนี่ยไปแต่บอกแม่นะว่าให้อภัยให้อภัยพ่อใช่ไเพราะว่าพ่อจะไปแล้วเนี่ยไปอย่างสงบแต่แกก็ไม่ยอมอนะ่ะแล้วความอาการคนไข้กระสุดลงไปกรสุดลงไปเรื่อยๆวันสุดท้ายเนี่ยคนไขน้แกแกรวบรุมกําลังนะ ขึ้นมานั่งแล้วบอกขอโทษภรรยาแล้วแกก็ล้มไปนอนล้มลงนอนและวันนั้นแกก็ไปแต่แกไปอย่างสงบนะซึ่งตายตอนที่แกตอนที่ก่อนหน้านั้นที่แกยังยังยังแย่ๆอยู่ทุรดทุลายในการเปิดเผยสิ่งที่ขายใจสำคัญนะฮะอันนี้เราเนี่ยเราเนี่ย บางทีเราเป็นหมอเนี่ยถ้าเรามีลาคุยออกับเขานะก็อาจจะความไว้ใจหรือ trust ที่มีอยู่แลนจะช่วยได้ประการที่5นะก็คือการาสร้างบรรยากาศที่ดีบรรยากาศที่สงบนะบรรยากาศที่สงบบางคนก็นึกอะไรไม่ออก็นึกถึงการเปิดเททธธรรมะหรือว่าบทสวดมนต์แต่บางทีเพลง spiritual music หรือเพลงอย่าง ของเนรันทราของของเ พ, งเพงเลงบันเทิงบันเลงบอลบ่าวก็ช่วยได้นะฮะแต่ธรรมะคือว่าอย่าให้มีคนไปร้องหมร้องไห้เมื่อสองปีก่อนใ น, นมีดีเจคนหนึ่งเราคงจะเคยรู้จักจำชื่อได้ดีเจโจจะเป็นบันเลงดีเจโจกั็ดังมากนะฮะก็ทำมาหากินอย่างพยายามแข็งเป็นอยู่ในอยู่ในอยู่ในอยู่ใ น, ในเรียก ว, ว่าตั้งใจทำมาหากินนะและ้วแก สร้างบ้านเอาไว้เตียงเป็นหอพักไ้ตีจะเป็นเรือนหอนะฮะก็จะแต่งงานกับแฟนแกก็ล้มป่วยก่อนแล้วอาการก็หนักลกงไปเรื่อยตระทั่งท้ายสุดเอาอย่อทิ้งอย่างไม่ทํางานแต่มีอย่างเดียวที่ทํางานนะคือหัวใจหมอ น, นี่ก็าแปลกใจหัวใจนี่แข็งแรงมาปรากฏว่าข้างๆเตียงฮะแฟนเนี่ยร้องโหยร้องไห้โจ อ, อย่าพึ่งไปโจ อ, อย่าพึ่งไป ร้อง่วมร้องไห้แต่ว่าโจ้ก็ไม่ก็ไม่มีอการที่ไม่มีแววว่าจะดีขึ้นนะตนไม่กี่วันอะไรแล้วเนี่ยภรรยาแฟนก็จะรู้ว่าไม่ไหวแนละ้วก็เลยบอกว่าโจ้ะจะไปก็ไปนะพอพูดอย่างนี้เสร็จเนี่ยหัวใจติดเต้นเลยคือบางทีเนี่ย คนบางคนก็ยังไม่ยอมตายหรือยังตายไม่ได้เพราะยังมีห่วงอยู่ห่วงน่าจะเกิดจากคนที่ร้องผมร้องห้อยู่ใกล้ให้บรรยาการที่สงบสําคัญนะอาการที่7จ็ดอาการต่อมาสุดท้ายนั่นคือการการล่าลาการให้อภัยการขออโหสิสสำคัญนะการขอพวามาการขออโหสิสเมื่อเช้านี้ก็มีหลายเคสที่พูดถึงเรื่องของการการใช้วาระสุดท้ายเนี่ยหรือชั่วโมงสุดท้ายหรือว่าสองาชั่วโมงสุดท้ายเนี่ย กล่าวคำขอเข้ามาเช่นให้รูปมากล่าวคำขอเข้ามาทีละคนทีละคนหรือบอกความในใจก็ได้นะมีรายหนึ่งเนี่ยนะก็สามีป่วยและภรรยาก็มานั่งเสียใจว่าไม่ได้พูดคำหนึ่งซึ่งมีความหมายมากก็คือพู้รักเขาอยู่กันมาสามสสี่ปีไม่เคยพูดคำนี้ แต่พออยากจะพูดปกว่าเขาโคมานะ่าก็นั่งซึมสายไปเส้นแล้วแต่พยาพฤแต่ว่าพยาบาลบอกว่ายังไม่สายถึงแม้เข้าโคมา่าคุณก็ยังสามารถที่พูดเหอนเขาปกติได้นะก็ก็กนะเขาก็เลยบอกเนี่ว่าข้ามีความสุขมากที่ได้ร่วมมีชีวิตร่วมกับคุณเนี่ยจะมีความสุขมากที่ได้ร่วมชีวิตคุณมาสามสี่สิบปี 3. นะมีอย่างที่อยากบอกคือว่า แต่รักคุณนะแล้ว่าฉันคงอยู่ยากนะถ้าไม่มีเธอไม่มีคุณนะแต่ว่าเห็นคุณจะป่วยอย่างนี้ฉันก็ไม่อยากจะทุกทรไมหเห็นคุณทุกทรมานถ้าคุณจะไปขอยหไปเถอะพอพูดจบเนี่ยคนไข้ก็หายใจยาวแล้วก็หมดลมการขอขอมาหรือ ก, การก ล, ล่าวคำล่ำลาครั้งสุดท้ายสงคัญเหมือนกันซึ่งเราอาจจะช่วยแนะนำญาติ ให้ทำอย่างนี้นะแทนที่ญาติเขจะคอยคอยที่จ ะ, อะคอยที่จะเห็นแต่คนเห็นคนรักของเขาเนี่ยคือคอยที่จะกระตุ้นเร่งเราให้ให้ให้หมอทําทุกอย่างเพื่อที่จะยื้อชีวิตให้ได้ยาวที่สุดเนี่ยบางทีเราเปิดโอกาสให้คนให้ญาติเนี่ยเขาได้พูดความในใจเขาสุดท้ายอาจจะดีกว่า คุณหมอสุมาลีพูดเห็นเหตุการณ์หนึ่งนะฮะที่เอผู้ป่วยเป็นแม่ลูกสี่คนแล้วก็ตไตวายเอาเยอะตั้งอย่างแย่หมดแล้วเนี่ยลูกทั้งสี่คนก็บอกว่าขอให้หมอมทำเต็มที่ทําอะไรก็ได้อย่าให้ตายแต่คุณหมอก็บอกว่ามันก็ไม่อยากจะห้าม น, นะแต่ก็บอกว่า มันมีวิธีที่ก็เลยเอารูปมาคุยกับว่ามันมีวิธีมันมีวิธีอื่นที่ลูกสามารถจะช่วยแม่ได้นะมันคือว่าในวัสุดท้ายไม่ว่าคุณจะชื่อเรื่องเรื่องจิตสุดท้ายก่อนตายหรือไม่ก็ตามเนี่ยแต่ว่าแม่เนี่ยสามารถที่จะแม่สามารถที่จะมีความสงบได้ถ้าลูกไปคุยกับแม่ได้พูดถึงสิ่งดีๆที่แม่ทําได้น้อมจิตให้แม่เป็นกุศล สิ่งที่สำคัญกว่าพอผู้อย่างนี้เนี่ยลูกก็ก็ดีใจว่าเออทีแรกนึกว่ามันวิธีเดียวที่ลูกจะช่วยได้คือว่าให้เงินเพื่อให้หมอเนี่ยปามเต็มที่แต่พอรู้ว่ามันมีวิธีอื่นที่ลูกจะทําได้แก่ก็บอกว่าแกก็เลยตัดสินใจบอกว่าไปคุยไปไปใช้เวลาช่วงสําคัญนี้กับกับแม่ดีกว่า ทั้งสี่คนก็ไปอยู่กับแม่ได้คุยกับแม่ได้ได้ให้เวลากับแม่แล้วก็บอกเตอร์บอกหมอว่าไม่ต้องนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอทำอย่างที่เคยทำคือปั๊มทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ค่อยไปอย่างธรรมชาติก็กพอแล้วเพราะว่าเขาได้ทำในสิ่งที่สมควรทำแล้วนะและพบว่าสิ่งที่แม่สิ่งที่ลูกจะทำได้ดีนี้ไม่ใช่การให้เงินหมอ ที่จะทําทอะไรก็ได้เพื่อให้มีลมหายใจยืดยาวแต่ที่การใช้เวลาให้มีคุณภาพที่สุดนะต่อมาคิดว่าใช้เวลาพอสมควรแล้วนะแต่ที่จริงมันยังยังอาจจะมีบางประเด็นที่อาจจะตกค้างอยู่เดี๋ยว จ, จะพูดต่อไปได้หรือเสริมนะตอนนี้เกิดว่าท่านใดมีความสงสัยหรือว่าความเห็นเพิ่มเติมก็อาจจะมาแลกเปลี่ยนกันได้เชิญ